สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับ ร, รายการธรรมจิตเดลิเวนะครับโดยผมจตุพลชมกูนิตนะครับและพระอาจารย์หมหาสมปองตาลับปุโตแห่งวัดส้อยทองนั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยใมสรรัสการครับท่านครับ ท, ท่านพรพรอาจารย์จตุพลครับผมในช่วงที่ผ่านมานี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ทํางานก็เรกวันหน้าชื่นตาบานกันเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นช่วงเทศกาลยุดยาวครับนั้นหลายคนก็ใช้โอกาสนี้นะครับเดินทางออกต่างจังหวัดกันยาวเลยทีเดียวจะได้สนุกสนานก็ได้อย่างเต็มที่ เวลาไปไกลๆ ก, ก็ต้องระวังเรื่องการใช้รถใช้ถนนกันหน่อยกันละกันจิตนะครับใช่คุณยมอาตมาช่วงนี้อ่านหนังสือพิมพ์ก็โอโ้พบข่าวรอุบัติเหตุมากมายเลย<ม>แกบทุกวันไม่ต้องไปหาเปิดปุ๊บเจอป้าบเลยครับซึ่งส่วนมากก็เกิดจากความประมาทเดินเล่อเถลสติแค่แป๊บเดียวอย่างเช่นเนี่ยเวลาเขาพาดหัวข่าวนะครับท่านจินเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย ปอเจ็ดสิบสองเบรกแตกชนแหลกกลางแยกวัดเมนตายหนึ่งเจ็บสิบเนี่ยครับเละเลยเห็นไหมครับจเจกิญพลย่างสดสามสบิบศพแม่ย่างแห้งก็ไม่ได้ต้องย่างสดด้วยนะฮะเจริญพลครับขอนแก่นสังเวยแล้วสี่ศพจักรยานยนต์ครองแชมป์อุบัติเหตุแม่เราอ่านข่าวนี้แล้วมันก็สลดใจนะบางทีต่างประเทศเขาทําสงครามกลางเมืองกันเป็นปีๆเจรยังไม่ตายด้วยกับช่วงสงการของเราครั้งเดียวเลยคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้หลายทางใช่ไมครับางทีเราระวัง แต่เขาไม่ระวังแล้วกเกิดอุบัติเหตุเราคนอื่นเราระวังคนอื่นยากสำคัญอาจารย์อาตมาว่าเราต้องระวังที่ตัวเราเองอาตมามีโอกาสไปบรรยายที่บริษัทสยามโชซายเซอร์วิส บ, บริษัทนี้เขาจะต้องขับรถบรรทุกคันใหญ่ๆส่งของทั่วประเทศเลยฉะนั้นบริษัทนี้เขาก็อยากให้คนขับรถเนี่ยมีความปลอดภัยทั้งตัวเองเพราะทรัพย์สินบริษัท ด, ด้วยแล้วก็ทั้งคนอื่นด้วยเนี่ยก็เลยนิมนต์อาตมาให้ไปบรรยายทําเรื่องของความปลอดภยัย โอ้โหยเยี่ยมเลยครับ เ, เพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยนั้นมันเป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองและก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับลองไปดูซิครับว่าพระอาจารย์ได้บรรยายอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเชิญชมครับ ไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสท่านพระอาจารย์ชัยรัชดีพุ่นอยู่ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทุกท่านขอเจริญพรเอาแบบจริงใจจริงใจเลยนะไหนวันนี้ใครสุกบังคับมานั่งฟังพระบ้างยกมือขึ้นโอ้ไม่มีเลยเนาะแล้วใครจะกล้ายกเนาะ เราก็ถามถ้าฉลาดเหลือเกินเปลนเป็นยักคิ้วแท้แล้วกันแต่ภาษาบ้านอาจจะมาก็บอก DQ DQ e ในใครมีเชื้ออีสามมนต้องยกเว้นในตัวขอเชื้อคอบ้านเดียวกันโอ้โหเยอะแยะมากมายตรงนี้ส่วนอุณภูมิหรือว่าร้อยเอ็ดเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยคุณโยมมาตรงนี้เพราะอะไรสั่งมาคุณโยมตจะมานั่งตรงนี้เพราะอะไรสั่งมาโอ้โหใจสั่งมาเสกโลโซเลยทันสมัยมากเลยบางคนบอกหัวหน้าสั่งมาครับ ถึงหัวหน้าสั่งมาแต่ถ้าใจเราไม่สั่งให้มาเราไม่มาได้ไหมได้เราอาจจะไม่สมบายเราอาจจะป่วยเหมือนคนบางคนนั่งอยู่บนรถเมย์คุยกันตาใสๆพอพระกับผู้หญิงเดินขึ้นไปปับ๊บหลับหลับโดยไม่รู้สาเหตุเลยไหมคุณโยมคนเราสําคัญที่ต้องเต็มใจก่อนนะอันอมเมอรขึ้นมาตอบเสียงดังฟังชัดเลสงสัยไม่มีรางวัลให้มั้งพระอาจารย์ชรัตเดี๋ยวเรามีรางวัลให้นะใครตอบได้เดี๋ยวจะมี VCD ให้นะ VCD ในนามแกรมมี่เราได้แหละอาตมาไม่มีของดีนะอาตมามีแต่ซีดี ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนยังไงเนื่องสองซ้ำหมดเวลาหมดเวลาแล้วตอบช้าถ้าเกินผเกือบเสียซีดีแล้วเนะีนะ่ยดีไนดะ้หลับตาทันเลยไม่เคยเสียซีดีสักทีเลยเอามือตอบพร้อมกันดีกว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนเออใช้ได้ใช้ได้ไดต่อนนี้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรคุณโยมเรื่องอะไรความปลอดภัยในพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้า ส, าสอนคําสอนเยอะเหลือเกินคุณโยม แปดหมืนี่พันพระธรรมการในศาสนาอื่นๆก็สอนธรรมะสอนคุณธรรมเยอะเช่นเดียวกันพระพุทธเจา้าสอนปัจฉิมโอวาทซึ่งถือว่าเป็นมรดกตกทอดเหมือนพ่อแม่สั่งเสียลูกเลยเขาเรียกปัจฉิมโอวาทภิกษุทั้งหลายขอให้เธออยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือขอให้เรามีสตินั่นเองทำอะไรต้องมีสต์ไหนลองพนมมือขึ้นมาซิต้องมีสต์นั่งก็ต้องมีสต์นั่งไม่มีสติแล้วก็หลับน้ำลายไหลหยดๆเลยเห็นท้ายเป็นอุปรกรณ์ในการพักผ่อนเลย<ๆ>ยืนก็ต้องมีสต์ ขับรถก็ต้องมีสระทำงานต้องมีสระอาบน้ำต้องมีสระสบูอ่อยาจะตอก็ตอกไม่ถูกนะเนี่ยเา้หมาขับรถต้องมีสระทำงานต้องมีสระยืนต้องมีสระอาบน้ำต้องมีสระแหมดูวทางซื้อของต้องมีสระน่มีสตางค์ไม่มีสติระวังจะกลายเป็นหมู่สเตฉะนั้นวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องสติเลยนะกิจกรรมพระอาจารย์ชัยรัตน์เดี๋ยวต้องแนะนำพระอาจารย์ชัยรัตน์ก่อนซื้อหนึ่งแถมสองเลยวันนี้นี่ม้วนรูปเดียวได้สองรูปเลย พระอาจารย์รูปนี้ขยันนะเหมือนคุณโยมเราทำงานขยันมากแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะขยันไม่อารมณ์บูดนะท่านมีคติประจําใจว่าตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเข้าห้องน้ําปลุกเพื่อนแล้วตัวเองไปนอนต่อขยันมากๆเลยสอนหนังสือบรรยายช่วยอาตมาเป็นธรรมะเรุกุลีอีกรูปหนึ่งเลยเวลาอาตมาไม่อยู่นะสโลแกนที่เรามอบให้แก่ท่านพระโตจิบา้าพระนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตอาจารย์ครับผมมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ อุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับอของกรมป้องกันและบรรเทราสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17เมษายนนี้นะครับเกิด อ, อุบัติเหตุทั้งหมด 4,274 ครั้งมีผู้เสียชีวิต361รายแล้วก็มียอดผู้บาดเจ็บสูงถึง 4,805 รายครับถือเป็นสถิติที่สูงมากเมื่อเทียบกับ อุบัติเหตุในช่วง7วันอันตราย10วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วยชแล้วอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากรถมอเตอร์ไซค์ครับมไม่สวมหมวกกันน็อกหรือบางทีก็เมาสุราซึ่งถือว่าเป็นความประมาทความประมาทในเกี่ยวอะไรกับทางด้านของพระพุทธศาสนาบปงครับท่านครับจะเรียกว่าเป็นอัตชีมโอวาสของพระเจ้าก็ได้นะพิสูจทั้งหลายขอให้เธออยู่ด้วยความไม่ประมาทครับสําคัญมากในคําสอนพระเจ้ามากมายพระองค์เน้นเรื่องของความประมาทได้ ถาว่ามีความผิดมากไหย ม, มีความผิดยังไงเนี่ยถือว่าเป็นความผิดถึงขั้นประหารเลยน ะ, ะประมาทโทมัตุโนโประทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายใครประมาทนี่ตายเลยนะครับนั้นโทษถือว่าร้ายแรงมากแล<ะ>้วประมาทก็มีประมาทหลายอย่างอีกนึงครับนะประมาทในวัยก็มี แม่เราอายุน้อยอยู่ยังไม่เข้าวัด<อ>หล่อกแก่ก่อนไปเข้าวัดครับตามจริงจะนทนพลถ้าเราเข้าวัดเองก็เป็นคนจูงเข้าวัดกันเอาอะไรเอาเข้าเองดีกว่ามั้งมีคนนั่งฟังพระเทศนอนฟังกระสวดเอาอะไรเอนั่งฟังดีกว่าออพนมมือเองกับสับประเวทจับพนมมือเอาอะไรพนมเองดีกว่าเห็นไหมประมาทในไหวก็มีประมาท<ม>ในเวลาครับแม่เวลาเท่านี้เท่านี้คนไทยเนี่ยไม่ค่อยตรงเวลาเลยครับผมคือในเรื่องหลายๆคนอาจจะไม่คิดนั้นความประมาทนั้นนําอะไรมาสู่เราบ้างทั้งชีวิตทั้งร่างกายทั้งทุกทรภาพ บางทีพอเป็นไปแล้วก็มีปัญหากับตัวเองปัญหาชีวิตจิตใจบางทีไปถึงครอบครัวแล้วทีไปถึงปัญหาสังคมด้วยถ้ากยังไม่ตายก็ต้องมานั่งเลี้ยงดูกันอีกดีปัญหาอะไรตามอีกเยอะแยะเลยทีเดียวเรามีทางแก้ปัญหาพวกนี้ไหครับท่านครับมีจ้ะอัตมาเวลามีปัญหาเนี่ยชอบอยู่กับปัญหาแป๊บหนึ่งนะประเทศไทยเราก็ควรเป็นอย่างนั้นมีปัญหาเราอยู่กับปัญหาสักระยะนึงแล้วต้องหาวิธีแก้ไขคนชนะมีคําตอบในทุกปัญหาเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ใช้สติกันอยู่ ใช้สติในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานะการมีสติก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระเจ้าสอนเอาไว้แล้วผู้รู้คือผู้ไม่โง่อรู้กฎกติการู้มารยาทรู้ศีลธรรมรู้ทุกอย่างผู้ตื่นคือไม่หลับโอโ้โหถ้ายิ่งขับรถในขลับนี่ก็ไปเลยต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาผู้เบิกบานคือผู้ที่หน้าไม่งอไม่ชุนเฉียวง่ายโมโหง่ายขับปาดหน้าปาดล้างโมโหตลอดอันนี้ถือว่าอันตรายมากๆแในที่นี้อาตมาเพื่อความง่ายวันนั้นอาตมาบรรยายเน้นเป็นสามทาง ความปลอดภัยสามทางคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเจริญพรโอ้โหน่าสนใจครับความปลอดภัยสามทางกายวาจาใจจะปลอดภัยได้อย่างไรเชินชมครับเอาล่ะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมฝึกสติแต่ตอนนี้เรามาแยกก่อนความปลอดภัยแบ่งเป็นสามทางง่ายๆก็โยงทางกายทางวาจาทางใจทางกายนี่เช่นอะไรกันโยอาตมานั่งรถแท็กซี่บ่อยยุค ก, ก่อนนะยุคตั้งแต่ไม่ได้เป็นกแกรมมี่เนี่ย ต้องนั่งแท็กซี่บ่อยหน่อยโบคือมีรถส่วนตัวเยอะเต็มถนนทังนนหมดเลยคุโยมบางทีก็นั่งรถเบนซ์20หน้าต่างมีสองประตู ด, ด้วยรถแท็กซี่เนี่ยคือพระในหน้าสงสารตอบโต้โยมไม่ได้นะพอนั่งป้าแท็กซี่หันมาพูดเลยพระจงหวันนี้ช่วยท้าหลราพี่นาะอ้าวอะไรเนี่ยนั่งป้าพูคุยเล ย, เลยนะี่ยวันเช้านี่ผมอ่านหนังสือพิมพ์เอาอีกแล้วโอ้ยเล่นพระอีกแล้วเราก็ต้องฟังไปพระตอบโต้โยมได้ไหมไม่ได้เคยตอบโต้ครั้งหนึ่งเขาก็ปุยเรื่องพระเรื่องอะไรไม่ดีไป คุยไปเยอะมากเลยเราก็เลยแท็กซี่ชัวช่วๆมีไมโยมอ้าวทำไมรองพี่พูดอย่างนี้นะครับอือแหมก็วันนั้นเห็นแท็กซี่ก็ไปข่มขืนเขาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยทําไมเวลาพูดพราบเราพูดได้บางทีคนขับรถปาดหน้าแกไหนใครขับรถบ้างยกมือขึ้นเออเวลาคนขับรถปาดหน้านี่อารมณ์เสียไหมคุณโยมไหนใครอารมณ์เสียต้องยกมือขึ้นก็ธรรมดานะเอามือลงได้แท็กซี่คันนี้ก็เหมือนกันพอปาดหน้าปั๊บโอ้โหดาสับเลยคานเต็มรถเลย นี่ศารสาารสา์นี่ศาเต็มรถไปหมดแต่คันนั้นไม่ได้ยินถ้ได้ยินก็อยู่สองคนเนี่ยมีแต่พระกับแท็กซี่ได้ยินกันอยู่สองคนเนี่ ย, า ย, ย, นนยบางคันนะด่าไม่พอไปขับรถตบหน้าเขาอีกปึ๊บแล้วมีการท้ามึงเอาไงกูมึงเอาไงกูกูมีพระนะมึงเอาไงอะไรเนี่ยทาไมต้องเกี่ยวด้วยค่ารถเราก็ใจาทางเราก็บอกมีเรื่องอยังต้องให้เราไปร่วมอีกใช่ไหมเนี่ยเออบางทีน่ากลัวมากคุณยงฉะนั้นเราก็จะใจเย็นเวลารถติดคุณยมเสียอารมณ์ไหมเอ่ยเครียดไหมเวลารถติดเพี้ยนไหม แต ใ, ใครเครียดบ้างยกมือขึ้นเครียดทำไมคุณโยมคุณโยมรู้ไหมว่ากรุงเทพรถติดรู้ไหมมีใครเสือพไล่บ้างไหมขับรถเข้าไปในกรุงเทพเสือพไล่รถติดมันติดทุกวันอยู่แล้วคุณโยมโจะไปแปลกใจทำไมถ้าไม่อยากให้ติดทำยังไงจอดโอ้ทำไมคุณโยมแก้ปัญหาตรงจุดมากเลยติดมากจอดซะโอ้โหนี่เป็นคำตอบครั้งแรกที่จะ ม, มาได้ยินแล้เนี่ยมอบรางวัลเลยดีวยกว่าถูกใจมากเลยลงบนหนังเอยวกคุณโยมด้วยโอ้ เอาซีดีทำมาเดลิเวอรชุดหนึ่งไปเลยเพราว่าเงินขนาดแล้จอดมันไ้ไหมว่ารถติดก็จอดนะคุยมนะอ่ถ้าผู้ชมทางบ้านถ้ารถติดก็จอดนะคุยมนะ99บาทนะคุยมนะไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เลยนะคุยมนะให้สีโป่งเลยนะคุยมด้วยให้ฟรีให้ฟรีแหมแต่ถ้ามีจิตสำนึกก็ควรจะจ่ายนะคุยมนะเพราะว่ารายได้ส่วนมากก็มอบไปกับพัดผ่าบาทนำผู้โรคเอดใครเคยไปช่วยส่งเงินไปช่วยหรือโทรไปช่วยบ้างยกมือขึ้นโอ้โห้คนที่ด้มีน้ําใจ ไหนใครไม่เคยช่วยเลยจะเคยอยู่ยกมือขึ้นคืออาการเริ่มดีขึ้นเลยออกมาโอ้ใช่ได้คุณโยมพูดเลืนะ้คุณโยมไม่ต้องไปใจเออบางคนเอาจริงกาจริงฉะนั้นคุณโยมต้องใจเย็นๆทาไงใจเย็นได้คุณธงธงมกจกรู้จักไหมแต่ก่อนเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมคุณโยมขับรถไปเหมือนกับแท็กซี่ขันเมื่อกี้เนี้เขาใจร้อนคุณโยมคุณธงธงมกจงเนี่ยดาดาดาพอเริ่มไปปฏิบัติธรรมพอมีคนปานหน้ากโกรธเหมือนเดิม แต่กำหนดจิตใจพะยมรู้ทันใจรู้ทันจิตใจโกรธนอ้อโกรธนอ้อโกรธนอโมโหนอโมโหนอควอ า, ามโกรธยังมีอยู่แต่รู้ทันอารมณ์เนี่ยการกำหนดจิตใจนะตัดอดีตปิดอนาคตำกำหนดปัจจุบันเวลาปฏิบัติธรรมนะพอโมโหพับเรารู้ว่าเรามโหโกรธน้อโกรธนอพอใจเย็นลงเรารู้ทันอารมณ์เราก็ไม่ใจร้อนน่ะเราก็ไม่เดือดร้อนนล้วความปลอดภัยที่สองเรื่องวาจาพะยมโอโ้เรื่องการพูดที่สําคัญมากบางคนทุกวันนี้ใจร้อนมากทะเลาะบอกแวงกัน ความสุขทางวาจาคุณยมอาจารย์สลาคุณวุธรู้จักใช่ไหมพอดีไปสัมมนาพบกันที่โรงพยาบาลศรีมหาโพลเหมือนโรงพยาบาลศรีทัญญานะคุณยมแต่ไม่ได้เป็นผูดกักคนบ้านนะคุณยมนะไปสัมมนาเรื่องความสุขอาจารย์สลาแกมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นครูเป็นครูน้อยไม่มีปัญหาคุณยมรู้จักครูน้อยไหมเป็นครูเล็กๆพอเป็นรองขอ อ, อโอ้กลับบ้านค่าเมียด่าประจําเลยในใครเวลากลับบ้านดึกจะด้เมียด่าทุกทียกมือขึ้น เราใคจะกล้ า, ายกเนาะมีกล้ า, ายกด้วยคุณโยมแกโดนเมียด่ามาปรปึกษาครูสลาเพื่อนแกแกเลยแต่งเพลงให้กลับบ้านไปปั๊บเมียกาลังอ้าปากดา่าแกแต่งเพลงให้เพื่อนเลยหมอตัวหลองเพลงนี้ได้เด้อหมอเด้อเดี๋ยวจะขึ้นซับไปเติเ้นะี่ยนะให้เพื่อนร้องเพลงนี้เลยผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอเมียกําลังอ้าปากด่านะอ้าปากปับ๊บผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอเออโหใจอ่อนเลยไม่กล้าด่าเลยคุณโยมบางวันก็กลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนซับเหนื้อให้ โอ้โห و, บางวันเมียฟังเพลงมากดูมิวสิกวิดีโอซึมซาบบรรยากาศอยากจะมาซึมซับมิวสิกวิดีโอเตรียมผ้าเ ย, นเย็นไว้เลยวคุณโยมเห็นไหมคุณโยมต้องรู้จักชมบ้างต้องรู้จักอะไรกับภรรยาเราต้องชื่นชมบ้างจะ ไ, ได้มีความสุขเหมือนคนเรารักกันในใหม่อะไรก็พูดดีไปหมดแต่พอนานๆไปพูดจาเขไม่ดีต่อกันฉะนั้นความปลอดภัยทางวาจาที่สําคัญเนี่ยววาจาเนี่ทําให้เราติดคุกได้ไหมวาจานะเราได้ดีไม่ดีก็เพราะปาก นาทิดคุกจิตารางก็เพราะคนชมก็เพราะคนด่าก็เพราะฉะนั้นปากนี้ไม่ธรรมดาเขาบอกสัตว์มีหางที่ก้นคนมีหางที่ไห น, นมาัาก็คือหางใหนลองสวัสดีครับพระสินหนึ่งสองสามนวมัตสการสวัสดีครับพระโอ้โหเอาจริงเลยเนะนวัตสการครับพระอาจารย์หนึ่งสองสามผู้จ่าภัรอต่อกันฉะนั้นถ้าเราพูดพระคนโยมไปเหยียบเท้าคเขาขอโทษทีครับผมมองไม่เห็นไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ามาเหยียบใหม่นะครับ บ่งทีเขาถือปืนอยู่คุณโยมไปเหยียบเท้ทาเขาก็กะจะยิงเราห้าร้อยนัดโอ้โหพอเราขอโทษป้ายกมือไหว้ขอโทษป้าเขาลดเหลือร้อยนะดจริงจริงมันตายตั้งแต่นับแรกแล้วคุณโยมนะแต่สภาพาศพเราก็ไม่ค่อยเลนเท่าไหร่แต่มันก็ดีขึ้นตั้งเยอะฉะนั้นการพูดเนี่เป็นสิ่งสําคัญคุณโยมต่อไปปลอดภัยทางไหนกายวาจาแล้วก็โอ้โหใจนี่สําคัญมากคุณโยมโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นอันดับสองอันดับสามของประเทศไทยต่อไปอาจจะขึ้นอันดับหนึ่งก็ได้ โลกธรรมแปดประการคุณโยมแง่บวกแง่ลบมีราบเสริมราบมียศเสื่อมยศสุขทุกสรรเสริญยินทาคุณโยมต้องรับสองทางต้องรับสองทางนะบางคนรับแง่บวกอย่างเดียวเลยพอมีงานก็ดีใจพอไม่มีงานฆ่าตัวตายเหมือนจางดาบินดาราเกาหลีเห็นไหมมีงานมีละครเยอะดีใจรับได้พอไม่มีงานมีละครฆ่าตัวตายก่อนจางดาบินดาราเกาหลีเหมือนกันถูกสรรเสริญโอเคตูดานอินเทอร์เน็ตเยอะฆ่าตัวตายเห็นไหมคุณโยมก็เลยชีวิตเราก็เลย ตายไปเลยความตายไป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากไหนใครเชื่อความตายไป็นเรื่องง่ายยกมือขึ้นนะใครเชื่อความตายไปน็นเรื่องยากยากมือขึ้นอายกสักอย่างนะคุณโยมเนี่ยคุณโยมไม่ยอมคิดอะไรเลยอาตมาเหนื่อยนะเนี่ยนั่งฟังพาต้องคิดไปด้วยนะความตายไป็นเรื่องง่ายยก ม, มืขอขึ้นโหนุสําร์กเชื่อคําตายไป็นเรื่องง่ายอาตมาเป็นคนของประชาชนต้องตามใจประชาชนนะทุกท่านนั่งตัวตรงนะเดี๋ยววันนี้จะพาตายง่ายๆเลยหายใจเข้าลึกๆแรงๆหนึ่งสองสาม แล้วไม่ต้องหายใจออกเอาอย่าหายใจออกอย่าหายใจออกอาาออ ก, ก็ไม่ตายสิโอพระพุทธเอาจริงด้วยหายใจเข้าหนึ่งสองสาทิ้งไว้สักสองวันเท่านี้ชีวิตเราก็ตายแล้วจําเป็นไหมคนเราอกหักผิดหวังเสียใจต้อง่าตัวตายจําเป็นไหมไม่จําเป็นเลยคุณโยมปัจจุบันเทคโนโลยีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ของเราชนิดอย่างแยกไม่ออกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการกินการอยู่ของมนุษย์ก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เทคโนโลยีในกันทางนั้น แม้แต่ในเรื่องของาศาสนานะครับเทคโนโลยีก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดีครับกราบนักมาตรการเรียนถามร้ายจานะครับว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบอะไรกับาศาสนาพุทธของเราครับองค์มีแน่นอนเนยท่านอาจารย์ครับตึกสูงใจคนก็จะต่ำเหมือนที่เขาบอกถนนถึงไหนอันตรายความวุ่นวายก็จะไปถึงที่นั่นเห็นไหมไปถึงเขาหย่งเขาใหญ่ถนนเข้าไปศาสตอะไรก็เดือดร้อนตา่างๆมากมายเหมือนมดอะ่ะ<ม>แค่ใบไม้มขวางทางเขาก็ไปไม่เป็นแล้วฉะนั้นเมื่อเทคโนโลยีมันจะเดินมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีมากไปใช้ศักยาภาพตัวเองน้อยลงไปหาความสุขจากอินเทอร์เน็ตบางทีก็เป็นความสุขจริงๆแต่ส่วนมากเป็นความสุขไม่จริงรหลอกลวงไปให้เสียผู้เสียค น, นต่างๆมากมายฉะนั้นแล้วเนี่ยอาตมาเจออีกปัญหาหนึ่งนะโอ้โหหลังๆนคนชอบยึดจิตยึดจิตในการฟังต้อฟังอาจารย์พยมเท่ า, า น, นั้นต้องฟังท่านอาจารย์วอวชรเมธีเท่านั้นต้องฟังอาจารย์ตัวนี้อาจารย์อาจารย์ต้องฟังอาตมาเท่านั้นเจอปัญหามากมายฉะนั้นอาตมาเนยอยากให้คุณโยมเนี่ยลูก ความรู้สึกใหม่ให้ฟังธรรมะอย่าฟังพระ อ, อย่ายึดติดที่ตัวตมาตมาไม่ไปแลไม่เอาแล้วไม่อยากฟังแล้วครับอาตมาก็เลยมิมนอาจารย์อีกรูปหนึ่งมาเพือ่อที่จะได้แบบว่าโอ้ยธรรมะนี่ยคนไทยผมกืบสามล้านคน<อ>ถ้าเก่งจริงดังๆมีชื่อเสียงเนี่ยต้องเป็นหมื่นรูปนะจะเป็นแค่ร้อยรูปพันรูปไม่พออาตมาเลยไปหาพระ ร, รูปหนึ่งมาซึ่งท่านอาวุโสทีเดียว<อ>ท่านพระอาจารย์ชัยรัตนสิริปุญโยจะมาบรรยายธรรมกู้กันด้วยโอ้โหนี่ คือบรรยายคู่กันเลยสองสองรูปเลยแหละมีดูโอ้ยก็เรียกว่าเป็นบอยแบนด์เลยนะฮะเป็นบอยแบนด์สุดยอดเลยครับเรามาชมนะครับว่าการบรรยายธรรมะคู่จะเป็นอย่างไรสนุกสนานกันขนาดไหนเชิญชมครับโอกาสพระจารย์แล้วก็คอยเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านและก็ที่อยู่ทั้งบ้านด้วยสาธุรุนแรงอีกครั้งหนึ่งสาธุสาธุไปว่าดีแล้วนะพระพูดก็ดีแล้วพูดนานก็ดีแล้วพูดจบก็ ดีแล้วน่าจะจบตั้งงานแล้วอะไรประมาณนี้นะวันนี้นะดีใจเหลือเกินที่ได้มาพบกันนะวันนี้เรื่องของสติก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของสติคอถามก่อนนะพวกเรายังค่อนข้างสับสนกันอยู่ใครคิดว่าความดีทําง่ายยกมือขึ้นความดีทําง่ายโอ้เอามือลงความชั่วทําง่ายความชั่วก็ทําง่ายฐานะสูงๆเลยกันโยงเอามือลงนะคุณโยง เชิญคุณโยมท่านนั้นประมือแรงๆให้กับคุณโยมท่านนั้นด้วยครับเชิญคุณโยมท่านนั้นลุกขึ้นและเดินมาหาพระอาจารย์ความชั่วทําง่ายนะครับหาพระอาจารย์ครับไม่ซวยนะไม่ซวยโยมไม่ซวยชื่ออะไรคุณโยมชื่อบรรดานครับชื่อบรรดานบรรดาลความสุขทุกอย่างนะชื่อบรรดาลชื่อเล่นชื่ออะไรคุณโยมชื่อเล่นชื่อดมครับชื่อเล่นชื่อดมนะไม่ต้องกลัวพระอาจารย์นะ ไม่ต้องตกใจเป็นชาวพุทธหรือเปล่าครับชาวพุทธครับชาวพุทธถ้าอย่างนั้นกราบพระได้ไหมได้ครับได้นะครับได้กราบนะครับอันนี้เป็นความดีหรือความชั่วค ว, ความดีหรือความชั่วความดีความดีบอกปุ๊ บ, ท, บ ท, ทําปั๊บทันทียืนขึ้นคุณโยมยืนขึ้นเสร็จแล้วไหนลองทําความชั่วดูคุณโยมนะไหนลอง ในลองทําความชั่อโดยการตบอัตมาลงดูกล <l oss> ้าไหมครับถามว่ากาล้าไม่กล้าครับผมไม่กล้าเพราะมันเป็นความความเชื่อครับเต็มหน้าพระเลยความดีกับความเชื่อในทำงม่มยกว่ากันตอบช้ากาบพระจา่าอีกครั้งหนึ่งตอบช้านะกาบอีกครั้งหนึ่งครั บ, บ, นะบหนึ่ ง, งสองโอ้กาบสวยงามมากแบบเป็นจางทัปดิษ์ด้วยนะ สามนะครบเลยนะครบแนละ้วยืนขึ้นยืดขึ้นนะครับไม่ต้องนะครับตอบพระจารย์ไหนลองทําความชั่วโดยการด่าพระจารย์กล้าไหมครับไม่กล้าครับมผมแสดงว่าเป็นคนดีนะโยบดา น, นโยเป็นคนดีแล้วแสดงว่าไม่กล้าทําความชั่อคนเราจะทําความชั่วต้องมีเรื่องกดดันมากมายถึงจะกล้าทําความชั่วนะความดีกับความชั่วไหนทํำง่ายกว่ากันโยมตอบครับความดีทํำง่ายาครับความดีทํำง่ายประมือระดังให้กับคุณโยมด้วยนะ ให้เข้าใจก่อนนะคอนเซ็ปต์ของเราธรรมดิวลลีต้องเข้าใจว่าความดีทําง่ายความชั่วนะทํายากเนะยวาวชนรุ่นใหม่ก็จะได้ปฏิบัติตามถ้าอยางนั้นเราร่วมกิจกรรมทําร่วมกิจกรรมนี้เลยเพื่อปลูกให้ตื่นก่อนอันดับแรกนะครับโยมเล่าเรื่องให้พ่อจานทร์ฟังว่าทํางานอะไรแต่พระอาจารย์จะไม่ฟังอยู่อาจจะเดินไปเดินมาเอาโยมเล่าเลยครับครับผมทํางานเป็นมองหน้าพ่อจานทร์ด้วยเล่าเรื่องให้พ่อจารย์ฟังแบบธรรมดาหายใจเขานึกลึ ก, ลก ไม่ต้องหายใจออกมาหองเขาตายที่เราไม่หายใจออกมาเอาละเราเรื่องพระอาจารย์ฟังก่อนเลื่อสองสามสวัสดีครับหลวงพี่คือผมเป็นคนยากจนนะครับเรามีอาชีพรับจ้างทำงานไปเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นพนักงานขับรถไเรื่ยมองหน้าพระอาจารย์มองหน้าพระอาจารย์ไปเรื่อยๆมาหลายปีครับผมเอาพอโอเคแสดงว่าโยมสุดยอดมากแต่พระอาจารย์จะไม่ฟังโยมอยู่พระอาจารย์จะอาจจะเดินไปเดินมาหรือทําอะไรก็ตามแต่พระอาจารย์ไม่ทําอย่างนั้นแต่พระอาจารย์จะพูดสวนโยมว่า เหลอือนะให้โยมพูดไปเรื่อยๆแต่อย่าหยุดนะนะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหนึ่งสองสามให้โยมพูดไปเรื่อยแต่มีเวลาแค่สองนาทีนะมีเวลาแค่สองนาทีเข้าใจไหมหร่วมกิจกรรมกับพ่อจารย์เดี๋ยวจะได้รับของรางวัลหาจะข้าลึกๆพร้อมแล้วเอาละหึ่งสองสามมองหน้าพ่อจารย์ตลอดครับเป็นพนักงานขับรถครับและเป<ล>็นยากจนมากมองหน้าพา่อจันเหลือทานามดีมานานมากครับมองหน้าพ่อจันเหลื วองเราพ่อจานเรนเลอการที่ว่าจะทํางานนี้ี่เลอะเลอะเลอะหมดเวลานะรู้สึกเช่นไหลนะครับเรารู้สึกเช่นไหลนะครับถ้าคนอื่นไม่ฟังเรานาะเดี๋ยวถ้างนั้นให้ยมเหลือในลองเหลือซีพ่อจาย์จะเล่านี่วิธีเราจะไม่ยอมหยุดเลยนะเล่าไปเรื่อยๆจะไม่ยอมหยุดเลยเอาไปเลอะใน้องเหลือนะครับเหลอเละ เหลือดังๆเลยนะเหลือแบบพ่อจันเลยถ้าดุใจไม่ต้องเลือใช่ไ้มครับไม่ไม่ไม่เหลือตลอดห้ามพูดคำอื่นมีต่อรองมีต่อรองด้วยมีต่อเป็นบริษัทแรกนะกล้าต่อรองกับพ่อจันเนี่ยนะเออเหลืออย่างเดียวเข้าใจไหมไม่ต้องพูดคําอื่นเหลือเพื่อที่จะหยุดพ่อจันเหลือไม่ต้องกลัวบาป เพราะว่าบาปทั้งแต่เดิอนออกมาแล้วนะครับไม่ใชอนน่อันนี้เป็นการออแสดงไม่ไม่ต้องกลัวนะถ้าเฉลยปุ๊บโยมจะได้บุญคุณสดมากเลยนะคุณโยมเชื่อพระอาจารย์หรือไม่เชื่อพระหรือไม่เหลอเ <laughs> ชื <laughs> ช่อครับผมเชื่อดูแล้วว่าเชื่อเอาหนึงสองสามพูดคำว่าเหลือเลยนะพระอาจารย์จะเล่าวิธีการเล่าหนิอย่าไปหยุดหยุดเฉพาะหายใจช่วงหายใจเท่านั้นไหนลองเดือที่ดังๆเลยเหลอใช้ได้แต่หน้าตาต้องปรับปรุงโยม หนึ่งสองสามวันนั้นนั่นเองอาจารย์เลยอาจารย์ไปอบรมที่บริษัทแห่งหนึ่งอาจารย์ไปบริษัทแห่งนั้นมีผู้คนประมาณห้าห้าร้อยคนหน้าตาไม่นดาผนสองซอยนะโยงยังเหลืออีกนะแล้วก็พอาจารย์ก็ไปนะอบรมในสถานที่นั้นเลย หมดเวลาพอดีนะอะโอโยมนะครับนี่เห็นไหมมารยาทดีทำเสร็จปุ๊บนะครับรับไปเลยซีดีนะคุณโยมซีดีพระอาจารย์สมปองให้ไปดูทั้งบ้านนะคุณโยมน ะ, ะปรบมือทังดังให้กับคุณโยมด้วยเราจะได้ร่วมทำกิจกรรมก่อนนะกิจกรรมนี้นสอนให้เรารู้จักเรื่องของอะไรใครตอบได้ได้รับซีดีไปอีกหนึ่งแผ่นครับ รู้จักการฟังนะครับประมือดังๆให้กับคุณโยมด้วยมารับซีดีเลยนะครับรู้จักการฟังมีคนพูดต้องมีคนโอ้<า> oh, นี่มารยาทดีสุดๆเนาะคุณโยมถ่ายรูปด้วยนะให้เห็นรูปพระอาจารย์สมปองด้วย <c oughs> เห็นด้านข้างก็จะไม่เหลี่ยมถ้าเห็นหน้าตรงจะเป็นเหลี่ยมๆนิดหนึ่งนะเจริญพรทีนี้นะประมือดังๆให้กับคุณโยมนะ <c oughs> มีความสึกอยู่กับการฟัง <c oughs> คนค น, คนที่ฟังคนอื่นจะมีสตินะคุณโยม ที่พระอาจารย์สมปองพูดไปแล้วว่าสติมาปัญญาเกิดนะการฟังนี้เนี๋ยจะทําให้เรามีความรู้เกิดสติขึ้นมาได้ถ้าในทํางานในกลุ่มคนไม่ฟังกันอะไรจะเกิดขึ้นการทะเลาะการใช้อารมณ์เหนือเหตุผลก็จะเกิดขึ้นนะกิจกรรมนี้สอนให้เรารู้ว่าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาสุสู ส, สังรละปะเตปัญญ์ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาใครฟังแล้วนะติตองดีย่อมเกิดปัญญามีความสุขตลอดเวลา วันนี้ก่อนที่จะฝึกเข้าสู่จิติกรรมนะมีจิตกรรมหนึ่งที่เราจะต้องทําโดยการาพระจันทรย์สมปองก็จะร่วมกับพระจันทร์อันนี้มณฑพระจานทร์สมปองครับอ <ทำ S 1> ่า<ห>จิต ก, กรรมนี้มีชื่อว่าสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์บกสัตว์น้<ท>ำห ร, รือมีชื่อภาษาอังกฤษว่าแอนิมอลบกนะแอนิมอลน้ําก็คือสัตว์บกสัตว์น้นนํานะจะเอามือมาชนกันในลักษณะนี้นะเพื่อฝึกสตินะพระจานทรย์สมปองนะ ถ้ามีคําว่าสัตว์บกผมจะตีพระอาจารย์สกปองแต่ผมจะให้อาจารย์สกปองนี่เป็นสัตว์บกนะที่มีเขายาวๆนะสัตว์บกอะไรคุณโยมกว้างกว้างกว้างไม่ใช่เลยกว้างกว้างตัดออกนี่หนึ่งกว้างนะอันนี้สัตว์บกอันนี้สัตว์บกอพระอาจารย์จะเป็นสัตว์น้ำสัตว์น้ํานะคถ้าผมเปิดชื่อสัตว์บกปุ๊บให้สัตว์บกหนีไปเลยสัตว์น้ําตีปั๊วหนียังไงครับหนีก็คือหลบนะครับแต่ยังต้องหลบให้ทันนะพระอาจารย์สมปอง อ่าเอ่ยชื่อป๊บตีปุ๊บทันทีนะครับกระลอกตีทันทีเลยครับง่ายไหมกิจกรรมผมไม่ถนอมไปใช่ไหมแต่จะมีดนตรีขัดช่วงแต่แต่แต่แต่แต่แต่แตนแต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่ต่แต่แต่แต่แต่แตเแต่แต่แต่ต่แต่แต่แตัต่แต่แต่แต่ต่ต่ต่ตตต่ต่ตต่ต่ตต่ต่ต่ต่ต่ตะตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต เห็นไหมโยมยังบอกคนเราต้องมีสตินะแต่แต่แปะดินฐอ้าวทำไมไม่ตีพ่อจันยังงงทำไมนะแตแต่คว้างตีทันทีครับแต่แต่แต่ประดุกนะครับเราจะยอมให้ตีไหมครับไม่ตีเพราะเรามีสะเพราะเรามีสระ ออกยังมีสตังค์อยู่นะครับเพราะเรามีสติจะไม่ยอมให้ตีถ้าอย่างนั้นคุณโยมยืนขึ้นนะคุณโยมยืนขึ้นจับคู่กันให้ได้นะครับจับคู่กันให้ได้นะยืดตัวตรงนะครับยืนมือไปข้างหนึ่งเลือกเอาว่าคนไหนเป็นสัตว์บกยกมือขึ้นสัตว์บกใครเป็นสัตว์น้ําใครเป็นสัตว์บกใครเป็นสัตว์น้ําใครเป็นสัตว์บกนะครับถ้าเอ่ยชื่อสัตว์บกสัตว์บกต้องหนีไปเอ่ยชื่อสัตว์น้ําสัตว์น้ําก็หนีไปหนึ่งสองสาม จะรวดเร็วนิดหนึ่งเอามือมาจุกกันคุณโยมเป็นภาษาสเปนนะคุณโยมเดี๋ยวจะมีซับไตเติ้ลขึ้นให้เป็นภาษาเอามือมาชนกันนั่นเองนะกะลอกต้องตีให้ถูกตัวตัวเองนะปะดุก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 เต้เต้เต้เตต้เตต้เตต้เตสิงโตทะเลสิงโตทะเลเป็นสัตว์น้ําะเ้เต้เตต้เตต้เตต้เตมาน้ํามาน้าเป็นสัตว์น้ําต้เตต้เตต้เตต้เตเดวิดแบ็กแฮมเดวิดแบ็กแฮมเป็นสัตว์อะไรสัตว์บกนะครับเดวิดแบ็กแฮมไม่ใช่สัตว์บกไม่ใช่สัตว์น้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเท้านะ เป็นน uniform, ักฟุตบอลนะต้เต้เต้เต้เต้ต้เตะเต้เต้เต้ต้เต้เต้เต้เต้เต้เต้เต้เตะเต้เตะเต้เต้เน้เก้เต้เม้เต้ต้เต้เต้เต้เตะเต้เตะคต้ยต้ตเต้เตอเต้เต้เต้เต้เต้เ้เต้เตคเเต้น้้เ้เ้เ มักใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นจึงขาดสตินะไม่รู้เขาบอกว่ารู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายหนะันทธานนะิชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปได้ทุทกๆุครั้งนะทั้งหมดขอบคุณแล้วก็นั่งลงนะเราจะมีความสุขได้จะต้องไม่ประมาทนะจะต้องละออกจากความประมาทหลับตามือวางไว้ที่ตักนหะยืดตัวตรง ในขณะที่เราขับรถอยู่เราประมาทในขณะที่เรานั่งอยู่เราประมาทในขณะที่เดินอยู่เราประมาทในขณะที่เราทำงานอยู่เราประมาทมักจะผิดผิดพลาดพลาดตลอดชีวิตของเรากิจรกรรมเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ส่งไม่ได้ ส, งส่งเสริมความรุนแรงนะให้ผู้โยมตีกันแต่ให้รู้ว่าสัตว์ทุกตัวรักชีวิตถ้าเราขับรถชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุนะ ให้คนเสียชีวิตเราก็ได้รับสิ่งนั้นด้วยนะก็คือบุญกุศลที่เราทาก็จะได้รับผลบุญนั้นด้วยนะฉะนั้นเรายาประมาทในชีวิตเพราะหนทางแห่งความตายคือการประมาทนั่นเองทำจิตให้แผ่ไปมีเมตตารักตัวเองชั้นใดรักคนอื่นเช่นเดีวยวกันรักคนอื่นเหมือนกับรักตัวเราเอง ทุกๆคนเคยเป็นญาติเป็นพี่น้องกันมาก่อนทุกๆศาสนาก็ตามแผ่เมตตาให้กับคนทุกคนแล้วความสุขจะเกิดขึ้นทุกๆเวลาจิตเช่นนี้ธรรมเช่นนี้เราจะเป็นบุญมหากุสลนอย่างยิ่งใหญ่ทำบ่อยๆความดีก็จะเกิดเพิ่มพูนบุญกุศลก็จะเกิดการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างมีสติให้ตรวจสารวจดูก่อน ถ้าเราเป็นพนักงานขับรถเป็นพนักงานขับรถของบริษัทนะก่อนที่รถจะสตาร์ทให้ตรวจ ด, ดูรอบเหมือนกับเรานั่งสมาธิตอนนี้เรารู้สึกตัวเองเหมือนกับเรานั่งสมาธิตรวจรอบดูเว่าเบรกดีไหมเครื่องยนต์เป็นยังไงเดินขัดข้องไหมล้อเป็นยังไงตรวจ ด, ดูเหมือนกับเราตรวจตัวเองนั่งตรวจตัวเองทุกวันทุกวันวันละห้านาทีสิบนาทีแล้วเราจะมีความสุข นะขอให้ทุกคนตั้งใจปนมมือขึ้นนะให้เราทำแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงสาธุดังๆหนึ่งครั้งสาธุในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการสรุปถึงการบรรยายที่ผ่านมาว่าการทำ ง, งานนั้นมีอะไรบ้างและก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังบรรยายได้ดมีโอกาสในการจะซับถามกราบนพัธ ก, การเรียนถามอาจารย์ครับเคยมีคาถามไหนที่ ตอบยากมากเวลาถูกถามครับมีไหมครับมันพอๆกับปัญหาโลกแตงเลยนะมีจ้ะมีนะที่ก่อนไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันโอ้นี่ก็ตอบยากมันก็ตอบกระชั่ได้คลายมังอะไรเงี้ยน่าเวลาตอบคาถามนี้คําถามมันจะตอบยากมากครับอาจารย์คะหลวงพี่คะหลวงตาคะหวยว่าหน้าจะออกอะไรคะโอ้ยอดี้ออกมาบอกถูกกาอันตรายบอกผิดก็อันตรายยิ่งกว่าเดิมไอ้คําถามนี้จะเป็นสนามที่ตอบยากแต่โดยส่วนมากแต่มาจะเป็นคนที่ชอบตอบคําถามอยู่แล้ว แต่ก็ต้องมีข้อคิดแนวทางในการแก้ไขอยู่เสมอครับเหมือนบางทีก็าถามหลวงตาเลยหงตาก็าทำไม่ขี่หมาเดียวจึงเลยใช่ไหมว่าทำไมไม่ดูบ้างกลางตาตอบเลยว่าไหมขี่หมากองเดี๋ยวยังหลบไม่ได้แล้วโยมจะไปหลบปัญหาในชีวิต ไ, ได้ยังไงเราได้ข้อคิดเป็นต่อใช่ครับเรามาดูกันนะครับระครั้งนี้มีคำถามอะไรบ้างและพระอาจารย์จะตอบว่ายอย่างไรท่านชครับความสุขง่ายๆโยมอ่านพร้อมกันคุณโยมเนื่องสองซ้ำ มีพร้อมกันแล้วใช่ไหมเนี่ยสิ่งพอยู่ใกล้ลูกตา ม, มากที่สุดเราจะมองไม่เห็นอีหยังคุณโยมเอออะไรคุณโยมขี้ตาโอ้โหคาตอบแรกก็แหมผวาเลยขี้ตาอะไรอีคุณโยมขนตาคิ้วหน้าเราถ้าเกิดเราไม่ได้สองกระจก ง, งานในคุณโยมมันมีผลสองผลหนึ่งผลของงานเองนะสองผลตอบแทนเอาแบบหยาบๆก่อนค่าของงานผลตอบแทนคุณโยมทํา ง, งานคุณโยมได้เงินเดือนไหม นะถ้าเกิดเราไม่สายไม่ขาดเวลามีโบนัสไหมมโอ้โหไม่ธรรมดาคุณโยมนั้นค่าของงานอันดับแรกผลตอบแทนคุณโยมมองคนไหนใครต้องทนทุกข์ทรมาในการทํางานบ้างยกมือขึ้นแล้วใครจะกล้ายกเนาะโอ้มายกเล็ก น, น้อยสแสดงว่าคุณโยมมีความสุขแค่ชั้นเดียวพอเงินเดือนออกก็มีความสุขมีความสุขชั้นเดียวเราขับรถไปส่งสิ่งของถึงเป้าหมายไปส่งคนถึงเป้าหมายคุณค่าของงานอยู่ที่การส่งคนให้ถึง ที่หมายโดยปลอดภัยคนกว่าถนนทําให้ถนนสะอาดพร่อคงแม่ครัวพ่อครัวแม่ครัวอยู่ในห้องครัวทําองค์อาหารให้คนได้ทานอาหารที่อร่อยมีคุณค่ามีประโยชน์ขนของงานมันมีอยู่แล้วชัดเจนคุณโยมงานของคุณโยมมีคุณค่าไหม ม, มีคุณค่าแล้วคุณโยมกลุ่มอกลมอกลุ้มใจทำยังไงดีพระอาจารย์ไม่มีทางออกทํำยังไงดีเขาบอกว่าโลกนี่มีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบกคุณโยม บางคนมีปัญหาแบกโลกไว้ลูกเมียอยู่ได้เพราะเราลูกน้องอยู่ได้เพราะเราประเทศชาติอยู่ได้เพราะเราเลยแบกโลกไว้คนเดียวเกิดปัญหาปั๊บหนักมากค่าตัวตายเลยเขาบอกถ้ามีปัญหาหนักมากถ้เราหลับตาแนละ้วคุณโยมนะออกอยู่นอกโลกโลกนี้ไปเล็กนิดเดียวปัญหาคนเรามันเล็กนิดเดียวแก้ได้ทุกอย่างเลยคุณโยมเขาบอกถ้าหาทางออกไม่เจอจริงๆให้ออกทางที่เข้ามา หมายถึงปัญหาเกิดขึ้นจากจุดไหนก็ไมแก้จากจุดนั้นทำไมเจ้านายด่าเราโอ้เรามาทำงานสายทำไมเร า, าทางานการสายเพราะเรานอนดึกทํำไมเรานอนดึกโอ้เราดูกีลงกีฬาเราไปเล่นการพนันทําไมเล่นการพนันโอ้ชักหน้าไม่ตื่นหลังทําไมชักหน้าไปถึงหลังเราใช้เงินมือเติบไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงทําไมเราไม่พอเพียงเพราะเราไปตามบริโภคนิยมมากเกินไปทําไมทําไมทำไมไปเรื่อยมันจะเจอต้นตอคุณโยมแล้วแต่หาทางออกไม่เจอจริงๆนี่ออกไปทางนอกก็มีแล้วถ้าเจอํารเอ็กซิเมื่อไหร่นั่นแหะคือทางออก <laughs> เอามันง่ายๆแค่นี้เด็กจะไปคิดอะไรมากมายเอาละคุณโยม พูดก็เยอะถามคุณโยมก็เยอะเดี๋ยวช่วงต่อจากนี้ไปจะให้คุณโยมถามบ้างเราจะได้เกิดการตอบได้เพื่อบางทีแม่พูดตั้งเยอะแต่แม่มันไม่ตรงประเด็นที่ผมอยากจะรู้มีไม้อยู่ข้างล่างแล้วคุณโยมนะสี่ตัวเลยถามเลยคุณโยมเจริญพรอะไรก็ได้แต่คุณโยมจ้าตอนนี้เราก็สาระเลยครับโอ้เขาพูดอะไรนะฮะคุณโยมพูดอะไรนะ เดัมนึุ่ญยออตมาไม่เข้าใจเนี่ ย, ค, ยคืออาตมาไม่อยากพูดอีสานนะเพราะว่าที่อาตมาไม่อาตมาไม่ได้คนอีสานนีเนี่ยอาตมาบ้านเกิดอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่พูดได้เนี่เพราะว่าคนขับรถแล้วก็คนรับใช้ที่บ้านเป็นคนอีสานแล้วคนขับรถก็เป็นพ่ออาตมาเอง <c oughs> คนรับใส่กับเป็นีเมีย่ะกับอีสานเมิดบ้านนั่นแหละต้องลงอาตมาเบาได้ก่อน จ, จะเลืิอนห่อนเลยยื่งขึ้นผมอยากให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับโรคปวดหลงเนี่ยมันเข้าข่ายกับเสียสติไ้มครับเท่านี้ละครับผ่า เอาสองรูปเลยนะนบบนรูปโกรธหลงเข้าข่ายเสียสติหรือเปล่าถ้าไม่มากเกินไปก็ยังไม่ถึงเสียสติคุณโยมคนเรามีความโกรธได้ไหมได้อยากรวยอยากมั่งอยากมีอยากมีชื่อเสียงอยากมีเงินทองโกรธคนอื่นขับปาดหน้าเราแต่ถ้าโกรธปุ๊บกําหนดจิตใจได้มันก็จะเป็นการโกรธประมาณหนึ่งรู้ทันจิตใจก็ไม่ไปขับปาดหน้าเขาคือเสี่ยงอุบัติเหตุหลงจะทุก ข, ขามในหลังๆในบางคนหลงเหมือนกัน บางคนก็ประมาณนึงใส่แล้วก็สบายใจใส่แล้วก็รู้สึกรัก ล, กลูกรักเมียอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ลงแต่ถ้าเกิดโอ้โหสิ่งที่เราไม่ได้ก็อยากจะได้โกงมาเป็นแสนล้านหมื่นล้านบ้านเมืองอยู่ไม่ได้เลยโกรธไปฆ่าคนอื่นสั่งฆ่าคนนั้นสั่งฆ่าคนนี้หลงสั่งลูกน้องไปเลยจ้ตุวคามต้นนี้ปีสามศูนย์โอ้โหสุดยอดกูอยากได้ไปฆ่ามันซิอย่างนี้ถือว่าเสียสติเลยคยุณโยมฉะนั้นตอบได้สองทางเลย คนเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะคุณโยมคุณโยมนั่งอยู่คงไม่ได้เป็นพระอรหันต์เราย่อมเค้กจดเกิดความโลภได้บ้างเกิดความโกรธได้บ้างเกิดความหลงได้บ้างแต่ให้คุณโยมเอาสติเมื่อกี้ไปกําหนดรู้ไปกําหนดรู้โกรธเนอโกรธหนออยากได้เนาอยากได้หนาะจำไว้นะคุณโยมอะไรไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่ใช่ของเราสุดท้ายมันก็จะกลับไปหลายคนได้โกงได้มากมายโดนยึดคืนหรือบางคนไปขโมยของเขามาต้องรีบใช้สุดท้ายกลับไปหาเจ้าของเดิมจนได้ฉะนั้นเราทํางานในคุณโยมนะ อะไรที่เราไม่ควรได้ก็ไม่ต้องเอาลองมา อ, อะไรที่เราควรได้เราก็ควรได้นะทุกสิ้นเดือนเราก็ต้องได้เนี่ยเพราะเราทํางานเราขยันไม่สายไม่ขาดไม่ลาเราก็ควรได้บ น, นัดเราควรได้ในสิ่งที่เราควรได้นี่ล่าสุดเลยที่ออกหนังสือพิมพ์ผู้หญิงอายุยี่สิบเจ็ดดูแลฝ่ายบัญชีแฟนอายุยี่สิบแปดอยู่อู่รถมีโครงการจะเปิดอู่รถกันคุณโยมผู้หญิงเลยเริ่มโกงบัญชีครั้งแรกสองแสนจ้าหนาทก็ประมาณสามสิบกว่าไม่ถึงสี่สิบสามสิบปลายๆก็ ร่อมรู้แล้วแต่ยังไม่แน่ใจครั้งที่สองย่ามใจโกงอีกเจ็ดหมื่นคุณโยมเจ็ดหมื่นเจ้าหนายรู้เพราะว่าเขาเอาข้อมูลใส่โน้ตบุ๊กไว้ตลอดจับได้โทษของเธอในการโกงอาจจะติดคกุกไม่กี่ปีหรอกหรือถ้าเกิดถ้าเจ้าหนายไม่เอาเรื่องเอาเงินมาใช้นี่ก็ไม่ต้องติดคกุกแต่เธอคิดมากคุณโยมบอกนัดเจ้าหนายบอกจะไปเคลียร์เอาโอเลียงให้ดูปุ๊บใส่ยาพิษเอาไว้อึก๊กอึ๊ก๊กกเลยแล้วเอาเลยอาจจะมูกอีกแล้วไปเผาเผาตายเลยแล้วนั่งดูด้วนะ โทษของเธอเลยถึงขั้นประหารชีวิตผู้หญิงอายุ27กําลังมีอนาคตสดใสแฟนอายุ28เกิดความโลภความโกรธความหลงคุณยโยมโลภอยากได้เงินของคนอื่นที่ไม่ได้เงินของตัวเองโกรธที่เจ้านายรู้ทันหลงแฟนพาทํำยังไงทําอย่างนั้นเผาไปเลยอย่างนี้ถึงขั้นเสียสติเลยคุณโยมไม่เสียสติอย่างเดียวเสียชีวิตด้วยเลยฉะนั้นเห็นไหมความโลภที่เกิดขึ้นปับ๊บนิดเดียวทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปเลยคุณโยมฉะนั้นคุณโยมต้องละมัด ระมัดระวังจิตใจตัวเองโกรธได้นิดหน่อยแล้วรู้ทันแล้วก็ไม่ไปทําร้ายเขาฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราไม่ยอมไม่ปริมาณมันมากเกินไปแต่ถ้าคุณโยมไม่โกรธได้ไม่ลงได้ยิ่งดีเลยคุณโยมแต่เราต้องค่อยๆฝึกจิตใจไปเรื่อยๆเรจาจะค่อยๆพัฒนาจะถอด น, นะคุณโยมนะจะเตียนนะถามดีนอาคนบาสนอเอาโป่งในแตงกับเพื่อนด้วยถามดีนะเนี่ยว่ธรรมดาเลยเอาคนภาคอื่นบ้างก็ได้นะอาตมาไม่อยากพูดทันใคร อีกคุณโยม ก, ก, กาบธรรมสถานค่ะคือจะถามว่ า, วาปีเนี้เป็นกระแสของวัตถุนิยมพระสัตตุคามใช่ไหมคะจะเรี่อนถ้าปีหน้าหรือปี ถ, ถัดไปจะมีกระแสวัตถุอย่างนี้อีกเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าคนที่ไม่ห้อยพัดแล้วก็จะไม่พระท่านไม่คุ้มครองหรือว่าอยากจะให้ท่านแม่ตาชี้แนะว่าเรื่องของวัตถุนิยมตรงนี้กับพวกเราอะค่ะอ๋อจะจะเรียนผ่อนจะ้ะจริงๆมันเป็นหลักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะคุณโยมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไป หลายยุคหลายสมัยเราโอโหขั้งไข้เหรียญหลงปูแหวน้ายุก่อนเหรียญลงพ่อคูณมันจะมาเป็นยุคเป็นยุคคุณโยมแล้วพอเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็จะดับไปยุคนี้บูมมากมยุคนี้ไม่ต้องรีบนะเจตุามมีประมาณร้อยกว่ารุ่นเยอะมากเลยหลังๆมีรุ่นคุกกี้ด้วยคือรีบพอใส่กล่องมากไปหน่อยคนจองเยอะมันชื้นบีกินเป็นคุกกี้ได้เลยมีกาแฟก็จิ้มได้เลยคุณโยมเอ่อมันเหมือนภาษาแล้วคุณโยมบางยุคก็เสด็จเฮ้วนะจ้า หลังๆใครพูดจา้ามนี่ยมันนอกมากเลยนะทายุคนั้นใครพูดจา้ามก็อูสุดยอดมากภาษาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็จะหายไปไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะทําลายภาษาได้หรอกวัตถุมันการพนอยมช่วงนี้บูมมากแหมน้ําเชี่ยวก็ต้องต้อ ง, องยอมรับ ว, ว่าน้ำเชี่ยวเมื่อวานอาตมาตระหนักกระแต า, าคนเกือบสองสามพันคนฟังอาตมาตเพื่อลอรับแ จ, จกจ่ทุกทามเห็นไหมอายุคหน้ามันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆคยุณโยมคนเราจะจะฮิตเป็นยุคๆอุปสงค์อุปทานคุณโยม อุปสงค์อุปทานคนต้องการมากเพระเอิ้ของมีน้อยก็ต้องแพงเป็นธรรมดาถ้าของเยอะคนต้องการน้อยของก็ถูกมันเป็นหลักการอยู่แล้วยุคนี้ก็ต้องยอมแล้ ว, ว่าโอ้ทุกคนขายเจตุคามหมดเลยนะร้านก๋วยเตี๋ยวก็ยังขายขนาดแขกขายโรตียังขายเจตุคามเลยเอาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผิดตามหลักศาสนาหรอกบอกโอ้ยเจตุคามไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นพุทธลูกขายได้ไม่เกี่ยวเพราะนั้นเป็นสมมติเทพไงเป็นพระราชาอย่างที่บอกนั่นแหละคนไทยเรามีอะไรที่อัศจรรย์เยอะคุณโยมแค่แผ่นเขาเรียกกันอะไรนะ อทะเบียนรถเนี่ยมันเป็นอะไรเขาเรียกอลูมิเนียมใช่ไหมราคาเป็นล้านสิบล้านก็มีขอให้มีเก้าเก้าเก้าเก้าเก้าเก้าประเทศญี่ปุ่นยังทําไม่ได้เลยคุณโยมญี่ปุ่นยังงงเลยป้าคนไทยซื้อทะเบียนรถเป็นล้านยี่สิบล้านก็ซื้อได้คนไทยนี่จะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนประเทศอื่นเขาเลี้ยงอะไรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกับสีผิวนะประเทศไทยเนี่ยโอ้โหถ้าวัวสีแดงในราคาสามเท่าอะไรเงี้ยคนอยู่อีสานจะรู้ดีถ้าแดงนะ ตาขาวตาเทาก็อีกระคาหนึ่งคนไทยเราจะมีอะไรที่มันเป็นลักษณะที่พิเศษอยู่คนหนึ่ฉะนั้นกระแสของจตุคามโผล่มาปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ตอาตมาเชื่อว่าอย่างน้อยคนที่แขวนพระคนที่แขวนสิ่งดีๆเนี่ยเขาก็ต้องมีจิตใจที่พี่ดีอยู่นะถ้าเกิดไปแขวนอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นเนี่ยอาตมาว่ามันก็ยังดีกว่าทําอย่างอื่นแกล้งทําความดียังดีกว่าตั้งใจทําความชั่วใช่ไหมคุณโยมบางทีเราไม่ตั้งใจทําความดีหรอกเราแกล้งไม่เคยไหว้พระลองไหว้ดูซิเออ พระก็ชื่นชมเรานะคนอื่นเห็นก็รู้สึกดีไหว้ไปไหว้มาจากไม่เคยไหว้ก็กลายเป็นนิสัยจากเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นโอสันดาลเลนเนยเนอะเป็นอุปนิสัยจากอุปนิสัยก็จะกลายเป็นบุคลิกภาพฉะนั้นไม่ต้องหนักใจจ้ะมาเดี๋ยวก็ไปจเจริญพรขอให้เรายึดธรรมะยึดสตอรี่ท่านประวัติศาสตร์ที่ท่านทําให้เราดูเป็นตัวอย่างขัยงเจริญพรจ้ะตามข้อต่อไปจ้ะกลางรัศการ น, นะครับหลวงพอ่พอโอ้หลวงพ่อเลยผมไม่ตอบแล้วล่ะนี่มันครับ อ่หลงพี่ครับตอบนะครับเรียนพออคือสมัยนี้เห็นข่าวอะครับเรื่องพระที่ออกทีวีเยอะหรือว่าลงตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นต้นออกทีวีนี่หมายถึงอัตมาหรือเปล่าเลยอ๋อไม่ใช่เป็นที่เป็นข่าวครับจป็ทีไอทีวีอะไรประมาณนั้นนะเวลาเราที่เราอย่างสาธุชน ที่จะตักบาตรทาบุญนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระรูปไหนดีหรือไม่ดีแล้วเราควรมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรกับพระแต่ละรูปที่เราจเจอเจริญพรอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเวลามีข่าวคราวล่าสุดก็หองแก้มฝรังฟอสเลยเอ่เหมือนที่จะมาพูดเมื่อกี้คุณโยมถ้าเราจะใส่บาตร ท, ทาบุญเนี่ยนะก่อนให้ต้องเต็มใจขณะให้ต้องเต็มใจหลังให้ต้องเต็มใจคือเราถ้าเราใจเป็นบุญร้อเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยคุณโยม คนที่รับโอเคใช่แหละมันเหมือนนาถ้านาดีนะีเราหวานพื้ไปมันก็งอกงามถ้านาไม่ดีมันก็อาจจะเกิดประมาณนึ่งถ้าขีเลวมากอาจจะไม่เกิดเลยสมมุติแต่ถ้าจิตใจเราเต็มร้อยเอร์เซ็นแล้วเราได้บุญเต็มร้อยอยู่แล้วคุณโยมทุกวงการมีคนที่ไม่ดีพระพุทธศาสนาเมันกับท้องทะเลอะไรไม่ดีพัดขึ้นฟังใช่ไหมคุณโยมเราต้องแยกแยะพระชื่ออะไรทหารชื่ออะไรตำรวจชื่ออะไรครูชื่ออะไรดาราชื่ออะไรมันต้องแยกแยะชาตเจณฑ์คุณโยมเราต้องแยกแยะเป็นคนเป็นคนเป็นคนไปนะคุณโยม ไม่งั้นพระที่ทํางานโอ้ดีเยอะนะพระที่ทํางานเหมือนอาตมานี่มีหลายพันรูปคุณโยมดูไหมพระที่เทศแบบนี้ยหลายพันรูปคุณโยมดูไหมไม่รู้เฉพาะทีมอาตมาร้อยรูปคุณโยมที่เรียกมาใช้ได้เลยเนี่อร้อยรูปแบ่งกันเวลางานชนกันไปได้เลยนี่ฉะนั้นขอยคุณโยมเวลามีข่าวคราวนี้เราเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาก็าสอนงี้คุณโยมเทียนสองเล่มเนี่ยหนึ่งพระธรรมสองพระวินยัยพระอานนท์ตูนถามพระพุทธเจ้า พระเจ้าข้าเมื่อพระองค์ปัณิณิผ่านไปแล้วจะให้ใครไปสนธาดาแทนให้พระมหากัรสปะดีไหมไม่ต้อง อ, น, อนุนให้พระรูปนี้ดีไหมไม่ต้องเพราะถ้ายึดตัวบุคคลคนยง ม, มีปัญหากันฝั่งนี้ชอบรูปนี้ฝั่งนี้ไม่ชอบรูปนี้มีปัญหาทะเลาะบอกแว่งกันเห็นไหมคนยมมันก็ไม่เจริญถ้ายึดพระธรรมและพระวินัยคนยงคําสอนคําสั่งของพระเจ้าเราจะไม่รู้สึกเสื่อมสัทธานในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อมแต่คนในศาสนาอาจจะเสื่อมได้คนในวงการตํารวจทหารครู องค์กรเสืออะไรอาจจะเสื่อมได้แต่องค์กรจะไม่มีวันเสือ่อมถ้าเราตั้งระบบไว้ดียึดพระธรรมพระวินยัยคํำสอนคําสั่งและเราจะไม่หวั่นไหวบางวัดโอ้โหหลวงพ่อปฏิบัติ ด, ดีมากท่านมรณภาพไปแต่ก่อนรถเป็นหมื่นคันไม่มีที่จอดหลังๆร้อยคันที่จอดโล่งเลยเพราะเรายึดตัวบุคคลฉะนั้นแล้วขอให้เราวางใจเป็นกลางถ้าใจเราสบายยังไงเราก็ได้บุญนะคุณโยมนะเอาละรครับในการฟันคำในวันนี้เชื่อได้ว่าคุณผู้ชม ทุกทุท่านนะครับจะได้ทั้งข้อคิดและคติเตือนใจไปใช้ในการปรับตัวในการดําเนินชีวิตในโลกไปดีได้อย่างดีทีเดียวครับในวันนี้ต้องกราบน้ำพรสการขอบคุณพระอาจารย์มหาสมภ์กรองตาลพุตโตเป็นอย่างยิ่งครับน้อสการกับท่านครับทุกผู้ชมครับถ้าสนใจธรรมะของราจารสมภ์กรองนะครับอยากฟังการบรรยายของท่านหลายๆครั้งหรือจะไปมอบให้กับคนที่เรารักได้มีโอกาสที่ดีในการฟังธรรมะดีๆอย่างนี้แล้วเราก็สามารถ หาซื้อบ c d ดีได้นะครับไม่ว่าจะเป็น c ีเอ o บนะครับหรือแม้แต่ร้านเอเมจินทุกสาขาหรือแม้แต่ B2S ก็มีขายนะครับสั่งซื้อได้เลยครับหรือถ้าอาจจะสั่งซื้อตามเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะนําไปมอบให้วัดพระบาทนําพุในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอสครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและพระอาจารย์สมจรรต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการธรรมะเดลิเวอรนะครับธรรมะแนวใหม่ที่จะเสิร์ฟทุกผู้ชมถึงบ้านได้ ในวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับชอบตั้งแต่ต้นเลยนะคะเพราะว่า ห, หัวข้อเนี่ยที่เขากําหนิดมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยคือจะเหมาะเป็นเรื่องที่เหมาะกับพนักงานในบริษัทรวมทั้งร ว, รวมทั้งดิฉันเองที่ขับรถปกติด้วยค่ะไม่เคยนึกว่าที่เราเข้ามาวันนี้จะได้ประทับใจการฟังพระสอนแล้วก็พูดในสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติไปข้างหน้า บางคนก็อาจจะไม่เคยคิดว่าการขับรถนี่มันเป็นยังไงใช่ไ บ, บางทีกับแสงและแสงน้อยคือท่านสอนว่าให้อาภัยซึ่งกันและกันเทียบกับว่าเวลาเขาปาดหน้าเราอะไรเราเนี่ยก็ให้เราตั้งสติทําสมาธิอะไรพวกนี้เธอคือจะช่วยให้เราแบบว่าปลอดภัยเราต้องมีสติตลอดเวลาเรารู้ต้องทําอะไรนั่งกินยืนนอนต่างๆนะแม้กระทั่งขับรถต้องมีสตินะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากก็ตรงจริงๆบางทีเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ท่านมาตอกย้ําทําให้เรา เอาไปเก็บไว้ในใจ